เราจเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี่จิตพวกเรานี่เหมือนดิงตีกันกระจามันยิงชกกันยุ่งหยู่นัน <c> ไ <oughs> ม่มีเวลาสงบยุ่งเป็นตลอดเวลายุ่เหมือนดิงตีกันยิงชกกันจิตของ ท่านพื้นฐานคือถ้าจะเทียบก็บเหมือนกับน้ํานี่ที่ใส่ดาเต็มที่แล้วนี่มีเพียนเป็นข้อเทียบเคียงแต่จิตนั้นมันไม่เหมือนน้ําพบไม่ได้านสุดแต่ก่อนเคเป็นจิตสภาดุลเหมือนกันกับพวกเรานีจิตของทุกคนต้องเป็นสภาดุ ชกกันหรือปล่อยก็นียู่ตลอดเวลาไม่มีกรรมการจะมาตัดถึงไม่มีกรรมการใดจะมาแยกอกทันัน น, นั้นอ่ะตลอดเวลากรรมการเขึ้นเวทีแค่ยัง ม, มีนกว่านอกเมลเขาคุณชกกันบนเวทีเขาจะมีกรรมการแยกกรรมการตัดสีแต่สภาพติด สภายุ่งเรานี่นไม่มีใครแยกงใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภาหยางเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยลมดูกู่ค้างก็อยู่บนเวทีนะันแหะไม่ทราใครจะแยกงใครพอเวลาจะมีผู้ไปแย่งก็ไม่อยากให้แยก ทำไมถึงอออมีผู้จะไปแยกออกเขาไม่อยากแยกก็ธรรมดาอมวยยุงสภายุงนีง้นันก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนเนี่ยไม่อยากฟังคนนี้ไม่อยากฟัง หนึคืนไม่อย่างแยกเพืนอนยังไงไม่อยากแยก <c ười> มันตะลุมบอลในหนึ่งนั้นทั้งนั้นทั้งคืนอืรับตื่นลืมตาอะไรก็ตามย่องขนาดไหนจนขนาดน้ำตาก็ร่วงไปด้วยมันก็ยังทันเห่างนั้ไม่ยอมให้ใครแยกคืงไม่ยอมเทียบผัดเทียบทํำไม่ยอมเทียบเสียจเทียบผลความผิกผูกดีทั่วผลเป็นมาอย่างไรมั่งจึงได้มาเป็นอย่างนี้ มันไม่ยอมไปคิดไปอ่านและไม่ยอมฟังใครนอกจากคุมมุนด้กับความยี่นของตัวเองความเดือดร้อนมุดหวานตัวเองที่เกิด อ, อุปทใใใใใใานไจโดยเฉพาะโดยเฉพาะเร า, า, าไม่ชอบนักพายย่งไม่ชอบนักพายไปแ ย, ยากผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าที่ครูอาจารย์พระสงฆ์สาว่าค า, า, า, า, ารหารหรแยกออกด้วยเหตุด้วยผดด้วยอัดด้วยรรม เศรกจมันไม่ชอบธรรุรนาคิตสภาอยู่นี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอา่างนััหาความสุขไม่เจอเมื่อมนัน ด, ดุ่งกันดู่กาลใดความสุขก็ลงมีทางที่จะเกิดขึ้นหรือกลนั้นีปีกี่เดือน ก็ตามมันก็เป็นสภาพที่มัเคยเป็นกุ่งมันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นขเขาทำให้คลายธรรมมันเชื่อมันไป ท, ทุกอย่างเพราะมีเหตุผลเป็นเค้ื่องทดสอบกันพอที่แยกจะแย่พอที่จะฝูนกันมั่งถ้าคู่ิดูสนใจในอันในธรรมแล้วพอจี่มีทางฝืนจากพวกเราทต้องหลายทุกปฏิบัติครั้งนี้ การธรรมดาการปฏิบัติการชี้หัดดัดแยงคือการฝูกประมาณจิตใจหรือกดขี่บังคับจิตแม้มันเปลีปลงที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลําบากก็เรียกว่างานอหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทำแม้จะมีความลําบากระบนอย่างไรเราก็ทำนี่ผู้ผู้อบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่าอย่างไรก็ต้องพยายามตามนั้นแม้จะยากลําบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อทำ ผู้ไม่เชื่อทำก็คือผู้ไม่เชื่อเหตุเชื่อผลเอาตามความชอบใจของตนแล้วก็ความชอบใจนั้นแหละมันพาลงเหว ล, ลงบอ่อจมไปเรื่อยๆหาทางื้นตัวอย่างไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษจิงมีความลำบากสำหรับโลกที่จะเจอความุกความสบายมีมากอย่างไรก็มาก ก่อให้ขอเกิดความยุ่งหยิงวุ่นวายต่อกันมากจนนั้นมนุษย์เรามีมากมันสะสมสะสมที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดฉลาดด้วยการปบเครื่องทุกข์ฉลาดในการเห็นอกเห็นใจกันเพื่อเพียงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นี้รมนิท่าคนใดก็ตามก็จะยกเราให้ีเป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง มีการเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่างคนอื่นก็มีน้อยนอกจากจะเห็นคุณค่างตัวเองเท่านั้นทั้งคู่จะอาศัยตัวมนุษย์อยู่ด้วยกันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าใจเองทั้งหมดเรื่องของมนุษย์ที่เกิดความเดือ้อนอยู่ทุกวั น, นทุกต่อการณ์การณ์มาก็เพเห็นนี่เองรวมแล้วก็เรืร่องของกิเลสไมันจะเรื่องอื่นไดข้ามผู้ปฏิบัติธรรมะ จึงต้องแยกจิาเป็นมวยก็แยกละจิงสมมุติว่าเป็นกระพายยิงเราก็พยายามแยกแยกจิตข้างเราแล้วพระอย่างยิ่งสว่างขันกับจิตที่มีความเกิดความทุกข์ความลําบากในที่จุดใดตรงใดแต่ก่อนที่เราไม่เคยพิจารณาก็เกิดความเดือดร้อนวุ้นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิงนั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็น ถ้าเป็นขึ้นมาแล้วปัญหาห้หายความอยากทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องของปัญหาอื ừ, คือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันยกก อ, ยอยากตลอดเวลาปัญหาในทางชีวิตอยากเพียงไรก็มากเพียงไรก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรมจรึงไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปราศ จ, จากเีตุผล ควรจะแก้ไขดัดแต่งยังไงด้วยยุบ ด, ด้วยยาไม่อด้วยอาจด้วยทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะขีดยาเขาขีดคอรจะรับทานยาควรรับทานควรจะยังไงก็ทําไปแต่ระวังทางภายในจิต่ทัองเราไม่ไปยุ่งเึนเนเนเ็นกนเนึ่งคนหนึ่งกายเป็นโรคคนหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเพราะทุกทางใจเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์นกหนัก ทุกทางใจไม่เกิดเพระหน้าของจิเด็กทุกทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของธาตุผิดปกติของทธาตุมันก็เกิดขึ้นอย่างธรรมดาแต่ทุกทางใจนี้ร้อยทังร้อยมันเกิดขึ้นเพราะหน้าของจิตเด็กทั้งนั้นหาผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ช้าเหตุผลอันใดเจ็บเป็ที่ตรงไหนเขาพิจารณาแก้ไขได้ไปตามนรื่งจะให้ทราบว่านั่นคือคือเป็นอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นสมบัติของเรา ที่เราได้อาสายเขาแต่เราไม่ถือว่านั้นเป็นเรามีความแยกกันจะเป็นขึ้นบ้างเนาะก็ปฏิบัติกันตามเรื่องแยกขายกันประตามความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่พย า, ายามเอาสาใจอย่าให้คุ้มเลิกไปยิดไปถือไปวุ่นมากับเขามันจะเป็นทุกสองชั้นคือทุกทางกายอันหนึ่งก็ทุกทางใจเกิดขึ้นเพราะทุกทางกายเป็นเหตุนั้นแล้วก็นนเพิ่มทุกข์ขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งหนัก ผู้ปฏิบัติธรรมะจึงไข้เคลือนอยน่างนี้ไม่เหมือนผู้ทั่วไปที่ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยลจริงๆความทุกข์ก็ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมะมีพร้อมมีทางหลีกมีทางแยกแยกตัวเองถึงจะเป็นมากก็แบนหนักแบนเ บ, แ บ, บทาทุกพอได้ไม่ได้ยกกันทั้งหมดไม่ได้แบกมันจะทั้งหมดผิดกันที่ตรงนี้ สอนทำต้นสอนโดยถูกต้องทูปฏิบัติทำจริงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติปฏิบัติข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธาตเรื่องขันที่มันสัมพันธ์เกี่ยวกเรื่องคันอยู่กับแกงของเราตลอดเวลานี่แหละแต่ปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติตอส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถูเรื่องภายนอกเสี่ยวก็คลายๆสิ่งนั้นล้อมหลายๆก็ตามมันห่างจากตัวของเราอยู่มากไม่เหมือนกับสะห่างขันทัจิตซึ่งจิตแน้าดียวกับเรา เนื้อถือคำว่าสิ่งนี้ว่าเป็นเงามันติดกันอย่างสนิดแยกไม่ออกตามธรรมดาแล้วมันแยกไม่ออกเพราะไม่แยกให้พยายามแต่แยกเพราะไม่เข้าใจานี่เได้เราได้เข้าใจาในอักแนท่ท า, าแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันตามาสตรตามส่วนที่มันเป็นขึ้นมากน้อยนี่มันปกติไม่เกียวขั้วได้เสือะไรก็ทราบว่าธาตุขันนี้มันปกติตามเรื่องของมันเวลาแสดงความแปรเปลว่นขึ้นมา ในลักษณะต่ตตางๆก็ทราบ ว, ว่าถ้าขั น, นมันจะปนของมันแต่ใจอยากให้แปกปนไป ต, ตมามมันเพราะใจไม่มีโรคชนิดนั้นเนี่ยยาหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับสร้างกายแกวนนั้นเข้ามาแทรกถึงตัวเองนี้มาเสียแทนเองให้เกิดเป็นพุก ข, ขึ้นมาเป็นโรคภายใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองนิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เือดร้อนวุ่นวาย มีความส ม, งมองสมโอยู่ภายในจิตเร่งความตานั้นมอกให้ขาดให้ขันต่อเสียเรื่องความเป็นดูของขันก็มอกให้เขาเป็นดูธรรมดาเป็นดูเพื่อจะายไปมีความแปรกภาพตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ถ้ามีว่างกลางวันกลางคืนดูโดยนั่งนอนแปรอย่างนั้นผมมุดแปรไปมากมันก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นให้เราทาบว่าุกยะจึงเรียกว่า เรียนกรรมาฐานทำงานกรรมะหมายว่าการกระทำฐานะคือที่นี่ทำงานในภางในกายในใจของเรานี่งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากทางรูพ้พกรูข่ารู้พิเดชัญหาอาสวัชจะต้องรู้ที่จิตจะต้องดูที่ที่งานเนี่ยคือกรรมาฐานสมสาธิอาลงมานะขาสันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งวันนี้ ผมมันก like like ็ว so so so so so ่าเป็นตนเสียตั้งเช่นดำดำยาวยาวหรือขาวขาวยาามก็ว่าเป็นตนเสียอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนไปทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนผนเล็บพันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกกระปุกทุกมมขนาดไหนเต็มียูายในร่างกายเขาว่าเป็นตนเลยเสียเพราะฉะนั้นตนของเราจริงๆไม่ได้สิ่งทุกกระปกทุกมมเมื่อสิ่งทุกกระปกทุกมมมาเป็นเพวของเรา แล้วเราจะหาความสะอาดท า, ายในจิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดภ า, าจยจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่สกปกโสมมล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งนี้ด้วยปัญญาทั้งเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำับมีกองอนิจจังกองทุกขังกองอานัคาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอืไม่ใช่ของใครทั้งสิน้นเป็นเพียงอาศัยการชั่อระยะการเท่านั้นพอถึงการผ่านไปของเขาเฮนี่เป็นการเรียน ในวเขาเรียกว่าทำละตัวเองแต่จริงๆนี่เขก็ยึดตามจากภาพจิตใจขเราก็ร่มเย็นว่าพิจารณาการพิจารณาส่วนนั่งกายอย่างนี้ยนอยู่สนุนเสมอจิตเราก็เป็นวิหารธรรมประกั น, น่งคือมีความเย็นมีความสบายไม่สิงเพ้อเหินไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยการพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันเนาะ ทำเรา เ, เริ่มร่ว ม, มเดืนเวลาท่านบวชพระทำไมไม่รล้อุปชาในก็ตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเพียงแล้วก็ตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักทายตัวของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้นขณนะที่บวชพระหมดเ น, นืนต้องสอนกรรมฐานห้าให้ถึงเวลาที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอน เตยซาลูมาณฆารังกาตะโจตโจรังทานฆาลูมาเตยาขอนอารมพิจารณาแบบอโลมพิจารณาปัจโุลมถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความสำนึกสำนานให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องแล้วอยดล่อเข้าไปโดยลําดับําหนักในอุปชาในก็กามเวลาบวชคุณณบวชต้องได้สอนกรรมฐาน เพราะนี่เป็นเครื่องือที่็นถือเป็นหลักสําคัญในการถอดถอนพิเลตปัญหาเพราะอุปทานที่หมายออกได้ต้องสอนนิทถนัดประจกักษปัญจกะกรรมฐานกระมฐ า, านมีหนังเป็นทนี่ห้าอันนึงข้อพอเป็นต้นรากาสภวิการทั้งหมดรวมอยู่ในนี้อันนึงสอนให้พิจารณา ผูกพิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่เห่อเหิมนู่ตามความจริงทั้งข้างนอกข้าในพราะเป็นสภาพเหมือนเหมือนกันกลัวผีกลัวป่าข้ามจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมีนอกจากความคิดความตึงของจิตมันหลอกตัวเองผีกับผีเนี่ยป่าข้ามอยู่นนี้ร่างกายของเรามันมันตุกอะไรเข้าไปไว้ไม่มีผีข้าผีศพ ปตีเพล่อมันก็ค่อยบรรจุไว้ในป่าช้าผีติดตรงนี้รู้พี่อันนี้เราจะไปตื่นเต้นลหลงไหลไปแล้วก็ไปป่าช้าที่ไหนอีกฮึออันนี้เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรมั่งแล้วก็ดูซิครัวไปแั้วไม่เ็กลัวผีพานอกตัวทราบ ก, กบทาบเสียดราบปูทาบ ก, กลาอะไรมันเส็มไปในครัวเห็ดเป็ดไก่ไม่เห็นกลัว เอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่ฝังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่หิ่งกลัวหิ่งเพราะความเข้าใจของเรามันเสียไปต่างๆที่ให้เกิดเป็นภัยแต่ตนเองเองที่กลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความน้ำหมักลงบนเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความจริงนี้แล้วมันก็ไม่กลัวืะยินได้คติอันดีด้วยวินเนี่ยเยี่ยมป่าท่าทุกวันทุกวัน มีนะนี้ป่าชพิจนาจนเห็นแจ้งแจ้งชัดเจน ย, ยังอุปทานเหมือนกันอย่างลงลึกขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าลงปัญญาแล้พิจารณาส่วนร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงโดยสม่ำเสมอพิจนาแล้วพิจารณาเล่ามันจะเกิดความทันนิทํานานเกิดความคล่องแคล่วแออก้ก้าวขึ้นมาโดยล ำ, ด, ลำดับลาดับแล้วอุปทานก็จะค่อยหมดไปหมดไปคําว่าอุปทานคือจิตไปเชื่อยึดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัว แต่ว่าน like ั่นตนเรานี่เป็นของเราเป็นเครื่องอาศัยสิ่งนั้นนะใส่นั้นตัวเองไม่มีอำนาจตัวเองไม่มีวัฒนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งนั้นมาเสรินาจวัฒนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะมันขีดหมดพิจารณาแยกแยกสิ่งนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาโรงกลวงเราได้ไม่ต้องไปอาศัยตึ้งิึงกับเขาเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาภายในใจใจก็สงบเย็นหมู่ ท่านสอนกรรมฐานท่านสอนอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณามากเพียงไรจิตยิ่งมีความกระจ่าแจ้งไปโดนแบบทะลุอุปโภไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญโดยทนายจิตใจลองะนานจริงๆมีสร้ามความจริงร่างกายของเราที่พอกําหนดปั๊บเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีทันใด ไม่มาจากร่างกายของสัตว์ของบุคคลภายนอกหรือไม่มาจางอันไหนเมื่อการพิจารณาของเรามีความจะนิสายแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหรว่ได้อย่างใจมองที่สัตว์ถึงบุคคลนี้มันจะไมมองเห็นธรรมดาของสัตของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเละมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่ตนได้เคยพิจาาแล้วอย่างไรนั่นแหละถ้าจับภายในิตใจพอกำหนดปั๊บ นี่มันจะวิ่งเข้าถึงจุดที่ตจะจะนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภานในใจของต น, นอย่างรวดเร็วมีคือความทำงานแล้วเขียนหนังสือทนะีเนี่เขียนแล้วลบๆบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวเราพึ่งหัดหอ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลืมแล้วเขียนอันไม่เป็นตนเป็นตัว เขียนไปเขีนมาเขาเริ่มเป็นตุลเป็นตัวอ่านก็ออกเขียนได้ไปโดยลำดับๆต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความทำงานแต่เวลาจะอ่านต้องลืมตามันติดกันที่ตรงนี้เท่านั้นทำงานขนาดไหนก็ตามการอ่านหนังสือต้องลืมตาไม่ลืมตาไม่เห็นที่กับการเขียนการพี่ารณาทางด้านปัญญาในส่วนต่างๆที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพิจารณา เพราะปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่างมีทั้งเรื่อกรรมฐานงานรู้หลบรู้ตรงสารรู้พบรู้พลาดรู้กิเลสปัญหารู้โดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานมีกรรมฐานห้าเป็นต้นจึงเป็นความจําเป็นเวลาพระท่านบวชต้องได้อาศัยกรรมฐานนี้เป็นอาวุธสําคัญฟาดฟันกิเลสปัญหาอัตวะความยิดมั่นถือมั่นสําคัญว่าสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงข้าวรอนเป็นศุขเป็นอาตา ทำลายกองสมมติเหล่านี้มันแตกประจายไปจากจิตใจจิตใจก็ได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็นถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่ไปยึดสิ่งนั้นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายเป็นผู้ปลอมเช่นเดียวกับสิ่งนั้นไปเสียหาหลักหาเจนไม่ได้ผ่านสอนนี้สอนเพื่อให้ได้หลั ก, กได้เจนรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแนะจิตก็ามาเป็นตัวของตัวขึ้นโดยลำดับละอืม แล้วก็เย็ยนปฏิบัติธรรมแบบนี้เย็ยนมีไหนก็เย็ยนปัตติปัญญาผิดขึ้นทุกวันรู้เท่าทันอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆนี้ก็งโลกเสื่กายในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ทันปัตติปัญญาอยู่กับตัวแล้วทันเท่านั้นแต่ก่อนมันไม่ทนันฮึคิดเออจนร้อนเป็นคุยบันชายมันก็ยังไม่ทราบว่าอะไรผิดขึ้นมันขึ้นมาเพราะมัน สติไม่ทันปัญญาไม่มีหรือปัญญามไม่ทันแต่เราผิดขึ้นมาสติก็มีสติก็แตกค่ปัญญาก็สามารถทีนี้อะไรมาสัมผัสภ า, ายในตาหูจมูกลิ้นากายหรือปุ่มขึ้นท า, นายในจิตใจจึงเป็นเหมือนกับว่าปลุกสติปัญญาขึ้นทันทีทันใดในขณะที่สัมผัสนั่นแหละคือขณะที่ปลุกสติปัญญาขึ้นมาพร้อมให้รู้เท่าทันและทีมากันอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยวางได้อย่างทันอกทันใจ นี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่ที่จะนามาเป็นสติปัญญาที่เรียงกายมากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหารสารพิเลดมันเกาะขึ้นมาตั้งขึ้นมาอเป็นพกเป็นขาดออกแม่แฉลุกแฉลานขึ้นภายในจิตใจของเรา ตั้งบาง้านตั้งเรือนอยู่ที่นี่ภายในจิตใจของจัดโลงเลวลาเราเยือนอัดเดยือนทำปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องสร้างทานเป็นเครื่องรบฟันอันแหลกกันลงไปลงไปตนกรทั่งกองทัพเสือกันว่าลูกฝล้านมื่ว่าปูยา่าตายยทั้งมันทาลายลงไปจงหมดไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจพบชาติมันหมดไปเอง ความสุขไม่ต้องไปต้องเลือดหาที่ไหนเมื่อที่เลือดตัวกอถถ่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากเนาะความสุขก็เกิดขึ้นมาที่เลือดสลายตัวไปหมดความสุขก็เป็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความสุขพร้อมที่เดชมาแยกออกไปกินหมดขนทุกข์มาให้เราีมอพอค่าที่เดชลงไปจนกระทั่งที่เด็ดตายหมดแล้วความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มพูนทัานบอกประมังสุขขงัง อะไรที่ปรมังสุขขังก็คือจิตเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเยี่ยมไม่มีอะไรจะสุดจิ้นกว่าจิตเด่นในโลกนี้คือเด่นจิตเป็นสุขเพราะความมือสุดของตนเขาไม่มีอะไรมาแบ่งชั้นปันส่วนเอาไปเป็นฐางล้วนๆธรรมโมปิโบก็หมายถึงคือความสว่างสมัยแห่งธรรมก็หมายถึงจิตที่พ้นแล้วจากสิ่งกดทั่วทุกปกปิดกำบังทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเป็นตัวภายในตัวเองนะ ธรรโมปาดีโ ป, ปหมายถึงอะไรเป็นธรรมหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์เรื่องนวันเป็นธรรมตั้งแท้ไม่มีอย่างอื่นเป็นผู้หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวที่ประเภทนี้แหละ ท, ท, ที่กล่าวเ ใ, ในบางตนว่าถ้าเป็นน้ําคนหนึ่งใสสะอาดรสชาติก็กลมกล่อมตื้อเฉเนตไม่มีที่ต้องไป หมดทางต้องติดนันเป็นภพายุงอีกไล่นอกภพายุงภานจิตใจนั้ น, นเป็นน้ำนึ่งสมฆรู้อยู่จางนั้นไหนก็รู้ไหนก็สว่างสวัย เนี่ยคือเคยพูดว่าถ้าเอาเป็นด้านมาถือแล้วลยกออกไปแข่งกับโลกลงดี่โลกไหนในสามโลกธาตุนี้จะมาแย้งพัยชนะกันได้ไม่มีแพ้กันอย่างล่ า, ากราบว่วอย่างสนิทพออาเห็นได้ชัดว่าอ๋อทำแค่เป็นอย่างนี้อ้าวูก็เลยทางชัดว่าทำท่านประกาศคุณภาพแห่งความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับอาก็เห็น ทำมันอาศจรรย์นั้นด้วยหูก็ได้ยินเจ็ดทำแสดงกังวลออกมาด้วยเออว่าอะไรไงแล้วไข่จึงต้องการความสุขความเจริญต้องการควาดีที่เสียดแล้วจับปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่ไม่ไมีท่นนี้ทําให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจมองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นจึงต้องๆๆําดำดำดำขาวไปน เช่นเดียวกับเจ้ากับท่านผู้โลกผู้สงสารแต่ตำแงนี้ก็ตำแงนีงไม่ลงใครต้องการความลุกความวิเศษวิโสด้วยกันแต่วมที่สายไ ม, ไม่สามารถอาร่านรู้อาจเห็นได้มันก็จําเป็นต้องง ม, มไปจ น, เ ป, นเป็นธรรมดาเนี mm ่ย hmm. แต่เมื่อเราปฏิบัติอปีนี้มันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะประกาศให้คนอื่นเห็นแสดงคนอื่นเห็นไม่ได้ แต่ก็สแสดงกับตัวตลอดเวลาอาการลิโกเนี่ยถ น, ะน่าทมแท้อยู่กับหัวใจเรานี่แหละอยู่กับผู้รู้นี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่กำหนดลงไปในจุดนี้อะไรที่มาเกี่ยวข้องโผพันกับธรรมชาตินี้ที่ทำให้มัวหมองไปพยายามแก้ไขพยายามปัดเตาียกแยะ ก, กันด้วยสติปัญญานี่แหละธรรมสาระคือใจนี่แหละเป็นสาระ ยอดแห่งความสานะคือใจยอดแห่งความไว้วางใจก็คือใจที่สิ้นสิ่งที่จอมปลอมได้หายแล้วศาสนาท่านสอนลงทั้งหมดรวมลงที่นี่ใจไม่แหละคือภาชนะอย่างเอกเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งยิ่งกว่าใจมนโนปุพังข ม, มาข ม, มา ม, น โ, ามนโนเศรษถามโนนายา ใจเป็นด่ายใจคือเป็นประธานสาเร็จแล้วโดยใจะลงทีิี่ทําก็มาแล้วที่ใจที่อื่นไม่แล้วถ้าไม่ลงที่ใจนะไม่แล้วธรรมรู้ที่ใจเห็นจี่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจนะบริสุทธิ์ที่ใจนะหมดคํำที่จะพูดต่อต่อไปในวิตติปัญหาทั้งหมดที่ใจอ่วันนี้แสดงจนตอนนี้อ่ะจบ